จะได้ช่วงมาคะทีหนึ่งนะวิสาขะอาสันหะเนี่ยช่วงนี้มันจะมีวันหยุดแล้วก็วันเฉลิมของในหลวงอะไรเนี่ยช่วงวันเฉลิมวันเดือนธันวาเนี่ยจะได้นานหน่อยมนมีวันที่สิบอีกวันเราลาคล่อมไปคล่อมมาก็ได้เยอะเนี่ยคิดดูนะสามสี่เดือนเฉลี่ยแล้วสามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งถ้าหลวงพ่อช่างถามเหมือนพวกเราคงตายคาที่เลย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 ไปสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนานที่ไม่เห็นมีองค์ไหนท่านชา้ายกเว้นแต่ท่านชาของท่านเองช้ามาแต่ไหนแต่ไรอย่างหลวุปเทศนั้นนุ่มนวลท่านทําอะไรก็ช้าช้าหน่อยท่านนุ่มนวลอาจมหาบัวชุบชับชุบชับวงไวแกป่ปานนีน้ท่านยังว่องไวอยู่เลยเห็นไหมท่านไม่ได้ดัดจริตทำเป็นชา้าช้าให้ดูหน้านับถือไม่มีไม่มีเสแสร้งเลยดังนั้นการภาวนานนั้ไม่ใช่ไปดัดแปลงคิดถึงการปฏิบัติก็ดัดแปลง เคยเดินท่านี้ก็เปลี่ยนท่าเดินเคยนั้งอย่างนี้ก็เปลี่ยนท่านั่นเคยกินอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีกินบางคนกินข้าวนะกินข้าวเช้ากว่าจะเสร็จให้ข้าวบูดเลยนะก <c oughs> ินนอนมากเลยนะนั่นแปลงฟันมื้อเช้านะจนเพื่อนเขากินมื้อกลางวันเสร็จแล้วยังแปลงไม่เสร็จเลยนะเขามีนะไม่ใช่ไม่มีอะไรมันจะดัดแปลงตัวเองมากนะการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่คือการดัดแปลงตัวเอง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 เบื่อนายแล้วคลายความยึดถือลคลายความยึดถือในจิตเราไม่ไปยึดมั น, นมันก็หลุดออกไปเองเนี่ยถ้าหลวงพ่อหยิบพัดนี้ขึ้นมาทําไงจะปล่อยวางพัดได้เนี่ยเหมือนที่พวกเราทําอยู่ตอนเนี้ยทําไงจะปล่อยกายปล่อยจิตได้เนี่ยนะจับไว้แน่นเลยปล่อยอะไรอะ่นะถ้าเมื่อไรหันมาดูุ๊ยนี่มันจิ้งกือนี่เห็นไหมมันก็โยนแล้วมันไม่เอาละ้วนะนี่รู้สึกโอยพัดนี้ถ้าจะแพงนะอันหนึ่งทั้งสามสี่บาท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 มีความสุขที่อิงอาศัยอย่างอื่นเรามีความสุขเพราะเรายัางหนุ่มยังสาวเกินไม่หนุ่มไม่สาวเราก็ไม่มีความสุขแล้วะเรามีความสุขเพราะสุขภาพยังดีสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขละแล้วความสุขของโลกโลกนะความสุขจอมปลอมชัวช่ ว, วครั้งชั่วคราวเองความสุขในธรรมะนะที่จิตมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจมันมีความสุขอย่างแท้จริงเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเลยรู้สึกเลยชีวิตนี้คุ้มค่าและไม่เสียชาติเกิดแล้ อ่ะต่อไปตรวจกันบ้านหลวงพ่อเทศซะหน่อยหนึ่งเป็นวิธี อ, อมแรงหลวงพ่อตรวจกันบ้านนะยังจะจับปูใส่กระดง้งแต่ละคนเอา้ากา้วมีไหมเห็นความรู้สึกครับก็<ม>เห็นความรู้สึกได้มากขึ้นหน่อยเอออย่าไปกดไว้นะครับากดอยูทีก็ทันทีก็ไม่ทันครับเอ่นั่นแหละดูเพลงนั้นนะไม่ต้องทันตลอดหรอกรู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่ารู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะอ่ะมีอีกไหมใครอยู่วัด อย่าไปอ่านหนัสือแล้วมาถามนะบบน้ำมันการหลวงพอ่อยกมาอย่างนี้โอ้เทเอวันนี้กับเมื่อวานรู้สึกปฏิบัติดีดีขึ้นกว่าวันก่อนอเห็นกิเลสมากขึ้นความหลงแบบวันนี้ตื่นมาก็หันไปดูในการเลยก็หลงหลงตั้งแต่ตื่นเออดีจิตขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งแล้วก็วดไว้กวดเอาไว้ดู อ, อับไหม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 อ่เตรียมยกมือนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอเบอร์แปดสิบสามกราบธรรมสการค่ะคือทีฉันยังไม่เคยปฏิบัติกับท่านกับหลวงพ่อคือกั้งอ่านเทปซีดีอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมานะี่นถูกก็ใช้ได้นะทำถูกหรือเปล่าค่ะถูกสิยอมคอยรู้ทันกิเลสไหมกิเลสโผ ล, ล่ขึ้นมาเรารู้กิเลสโผ ล, ล่ขึ้นมาเรารู้เห็นกิเลสบ้างไหมค่ะ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 ไปเดินเล่นนะเดินเล่นแต่ไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อยนะใจลอยไปเรื่อยเดินคือพอเราคิดเรื่องปฏิบัติแล้วเรามาเดินจงกรมเนี่ยพอเริ่มเข้าทางจงกรมเราก็เริ่มเพ่งละคารบังคับตัวเองมันเครียดเครียดแล้วปวดหัวปวดไหลปวดคออะไรองี้ปวดลูกตานะครับก็ไม่ดีครับการภาวนาจริงๆคําว่าการเดินจงกรมจงกรมแปลว่าเดินเพราะฉั้นทุกก้าวที่เดินนะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดิน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 เริ่มปฏิบัตินะคะตอนนี้คิดว่าสติเกิดบ่อยขึ้ น, นะคะ่ะ<ม>ก็เห็นโทสะ<ม>เห็นเห็นโกรธกเห็นอิจฉาเห็นโลภแล้วก็เผลอบ่อย<ม>เลินบ่อยค่ะล่าสุดเนี่ยไปเห็นว่าจิตมันเกิดเกิดดับดับนะคะคว<ม>ามโกรธมันก็เกิดเกิดดับดบับเห็นว่าพอมันโกรธสักพักหนึ่งเนี่ย แล้วตามันก็วิ่งไปรับภาพหูมันก็วิ่งไปได้ยินกลับมารู้ลมแล้วก็กลับมาโกรธใหม่เออเห็นแบบนี้บ้างนะคะเห็นอย่างนั้นเลยดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่ะ ข, ขอบคุณฝึกม า, านานเท่าไหร่แล้วเกือบปีค่ะใช้ได้แล้วนะขอบคุณค่ะสอบผ่า น, นสี่สิบสองนมัสการครับหลวงพ่ออันี่เป็นครั้งแรกครับคือเมื่อตอนที่ผมได้อ่านหนังสือ ข, ของหลวงพ่อก็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 ทุกด้วยตัวของมันเองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาจะไหลเมื่อหมือนกับว่าอยากจะปล่อยวางอยากจะเอออยากไม่ได้นะอยากก็ไม่ปล่อยแต่ว่ารู้สึกวันนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากวันนี้รู้สึกว่าแต่ว่าคิดว่ามันคงยังยังไม่มีกำลังพอที่จะจะปล่อยได้เต็มที่ก็เลยอยากทราบว่า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 มีเหตุให้เริ่มมาฝึกรู้เมื่อต้นเดือนหนึ่งครับก็ทำมาได้สักยี่สิบกว่าวันนะครับห ล, ลวงพ่อครับก็เลยอยากจะมากราบเรียนพระอาจารย์ว่าที่ทำมาทามาถูกแล้วยาเริ่มตื่นแล้วน ะ, ะถูกครับแล้วมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับบางทีเนี่ยพอเรารู้มันก็เหมือนมีเสียงภาคในหัวเคยเคยฟังอาจารย์อธิบายแต่ว่ามีอุบายแก้นหะครับห้ามไม่ได้นะ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 เจ็ดสิบหกที่วันนี้เก่งเก่งเยอะเลยเจ็ดสิบหกอยู่ที่ไหนยกมือไว้ระวังนะพวกที่เรียนมานานๆแล้วขี้เกียจนะระวังนะแต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อให้ท้อแท้ใจนะรัต <Yeah. S 1> ไหนอยู่ไหนเออว่าไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับมาครั้งแรกครับตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยครับฟังซีดีพระอาจารย์มาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้ตัวเองว่าจิตวัยอะฮะแล้วก็รู้แล้วก็ดับแต่หลังจากนั้นมาพอมันรู้อีกทีมันรู้สึกแบบดูแล้วแบบดูแช่แช่เออแช่แช่เนี่ยจงใจไปรู้มากไปรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วทิ้งก็และอย่างก็คือผมไม่เป็นคนที่ไม่ทําสมาธไม่ค่อยเก่งครับทำสมาธิไมเก่ ง, ก, งก็ดูใจของเราพี่แหละหมอะละ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 อย่างนั้นเลยไม่ได้ภาวนาแลวอย่างเริียอย่างผมนีงควรจะไปขอคุณช่างคิดอยู่แล้วล่ะไปดูจิตเอาครับเบอร์สองหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มาวัดครบรอบปีพอดีเพราะมาครั้งแรกเมื่อยี่สิบหกเมษาปีที่แล้วเพราะวันเกิดอันนี้คืออยากพูดตัวขยะว่าอยากพูดเออดีที่รู้ แต่ว่าไม่เคยได้ส่งการบ้านพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะ<ม>ก็ก็คือเดิมเนี่ยฟังอย่างเดียว<ม>คิดว่าไม่จําเป็นต้องมาก็ได้<ม>แต่ก็รู้สึกว่าคือฟังอย่างเดียวก็ได้ไ ด, ได้รู้สติตอนที่ฟังแต่ทั้งวั น, นยังไม่รู้เลย<ม>แต่ว่าก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นคือไม่หงุดหงิดกับตัวเองมากขึ้นเหมือนแต่ก่อน<ม>พอช่วงหลังก็รู้สึกว่าในในระยะเวลา ในชีวิตประจำวันไม่รู้สึกตัวก็เลยมาเข้าคอร์สกับบางประกอเพื่อ<ม>รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติบ้างให้จริงจังบ้างค่ะ<ม>แต่ทีนี้พอก็เลยตั้งใจว่าจะเดินจงกรมวันละสิบห้านาทีเริ่มมาได้ประมาณเดือนหนึ่งพอเพิเข้าคอร์ส<ม>แต่ทีนี้ช่วงแรกเนี่ยก็คือเหมือนเดินแล้วรู้ตัวนะ<ม>ก็คือรู้ตัวแต่ว่าพอพอตั้งใจใช่ไหมคะพอทุกวันก็ต้องทําพอช่วงวันหลังๆเป็งกายเป็นว่า ไม่รู้ตัวคือเดินหลงไปเลยค่ะไม่เหมือนครั้งแรกๆที่เดินที่จะรู้สึกตัวเลยไอ้นั่นเรารเดิน ต, ต, ตาม <ทำ S 1> ปณิธานแล้วนะเดินให้มันหมดเวลาไปเท่านั้นเองใช่แนะล้วหนูจะทํายังไงดีอะพยายามฝึกอยู่ในชียายาวิตประจํำวันนี้ให้เยอะๆด้วยนะแล้วก็ไปเดินหรือว่าถ้าเดินแล้วมันเบลอหลงเรื่อยๆนะไปนั่งนั่งสวดมนต์ไปก็ได้นะลาหั่งซัมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูใจที่ไหลแวบแว บ, แวบ ถ้าเราฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปคิดเรื่อยๆมันจะรู้สึกตัวได้เร็วนะนี่เราไม่ได้ฝึกที่จะรู้ทันสภาวะเหาเราจะจะเดินเอาเวลาสิบห้านาทีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เน้นที่จะคอยรู้ทันว่าจิตไหลไปเราก็หลงไปสิบห้านาทีหมดเวลาสบายใจแล้ววันนี้ได้ปฏิบัตินะ ไ, ไปฝึกเอาใหม่นะฝึกรู้จิตที่แอบไปคิดรู้จิตที่ไหลไปคิดอนะ่ะคอยฝึกสวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้ เดินจงกรมก็ได้เดินแล้วจิตไปคิดเรารู้จิตไปคิดเรารู้อย่างตอนเนี้ยจิตไปคิดแล้วรู้สึกไหมค่ <Okay. S 1> ะแล้วฝึกอย่างนี้นะมันถึงจะไม่หลง <Yeah. S 1> <12 3. S 2> ร้อยยี่สิบสามนรัตพการครับผลวงพอเอออย่างผมนี่เหมาะจะดูกายเลยดูดูจิตไปเลยแล้วก็ช่างคิดจะตายแล้วไงอยากได้วิหารธรรมครับดูจิตไป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 ปกติจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาตลอดดูออกไหมจิตมันหนีเที่ยวตลอดเวลาดูยากงั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งมาสมมติว่าพัดนี้เป็นที่อยู่ของจิตพัดนี้สมมติว่าพัดนี้คือพุทโธพัดนี้คือลมหายใจพัดนี้คือท้องพองยุบพัดนี้คือเดินจงกรมหาเครื่องอยู่มาอันหนึงน่งเนาะแล้วเราก็ค่อยรู้ทันจิตไปเช่นเราสวดมนต์ไปเราหัางซ้ำมานะจิตเรามาอยู่กับคําสวดมนต์เราก็รู้จิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้หรือ เราหายใจออกหายใจเข้ารู้ลมหายใจอยู่พัดนี่เป็นลมหายใจจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมเราก็รู้จิตหนีไปคิดที่อื่นเราก็รู้สมมติพัดนี้เป็นท้องของยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปก็รู้เนื้อฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเห็นจิตได้ชัดจิตขยับนิดหนึ่งเราก็เห็นนะจิตรู้สึกยังไงนิดนึงเราก็เห็นนะแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมาพอจิตมันขยับมันหลงไปแล้วเรารู้ทันมันจะรู้สึกตัวถัดจากรู้สึกตัวแล้วคราวนี้ยสติบางทีก็ไปรู้กาย บางทีก็ไปรู้จิตเอาแน่ไม่ได้ไม่เลือกละเบื้องต้นอ่ะเลือกมีอารมณ์มาให้อันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้กายก็ได้จิตก็ได้ส่วนมนก็ได้อะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่หลงไปพอเรารู้ทันจิตที่หลงได้ชำนาญ น, นะพอต่อไปพอจิตหลงปุ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองพอรู้สึกตัวปับ๊บแล้วคราวนี้บางทีสติรู้กายบางทีสติรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์บางทีรู้กุศลอนะกุศลบือทีรู้ตัวจิต มันรู้เองเลือกไม่ได้ละไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั mm ้น hmm. พอมีสติแล้วนะเราไม่พูดแล้วว่าสายกายสายจิตเลยไม่มีแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติเนีย่ยตอนนี้ขณะนี้ขาดสติ mm hmm. รู้สึกไหมมันเลอเบล อ, บลอหายไปเลย mm hmm. ลืมกายลืมใจระมัดระวังอันหนึ่งคือการเพ่งขอาคุณจะติดเพ่งนะต้องระวังไว้ mm hmm. เพ่งเกิดจากจงใจจะไปดูมันนะสังเกตไหมตอนเบ่อเมื่อกี้เนี่ยใจคลาย ใช่ไเสร็จแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติสัมรวมใจก็แน่นอย่างเดิมเลิกสัมรวมไปเลยแล้วทำยังไงให้มันไม่แน่นนะคะทำตัวเป็นลิงไว้โซนสซนไว้เพราะตัวจริงอะสซนนึกออกไหมแต่ว่าเรากดไว้ใช่ไหมเราไปกดไว้ไปเป็นดิงซะนะสนสซนไวะก็เห็นไหมใจจะคลายออกละหลวงพ่อบอกให้โซนไปกดไว้หาอะไรไม่ดีนะก็เวลาพอพอหลวงพ่อบอกเอาเริ่มฝึกก็ตึงไว้เลยเงี้ยเออไม่เอา คิดถึงคำว่าฝึกปฏิบัตินะอฮ้ยต้องเป็นลิงไว้ก่อนต้องอย่างนี้นะออ <c oughs> แล้วเราก็ดูจิตกายดูใจมันทำงานไปจะไว้นะ <c oughs> แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างจู้อนี้ต้องภาวนาบนต้นไม้พอดีนี่ลิงยิ่งกว่าคุณอีก <c oughs> ลิงอยู่ตามพื้นไม่ค่อยได้นะ <c oughs> ไม่ใช่ลิงกุห <c oughs> ลังอุตังต้องลิงอยู่บนต้นไม้ <c oughs> ได้ปีนได้ไป่ายแล้วภาวนาดีเอ้าต่อไปคนเก่าๆ เ, เชิญยกมือแปดสิบเก้า ชูไว้เผื่อไม่มันจะไปหาบางคนก็ยกไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความจําเป็นต้องาถามกรรมาตรการหลวงพ่อครับช่วงนี้รู้สึกว่าดูสภาวะได้ชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันดูได้สบายขึ้น<อ>แต่ก็ยังมีกฎอยู่ครับถูกต้องนะรู้อย่างที่เป็นนี่แหละดีลแล้วรเรียนไปวันนึงก็เห็นใจรักเห็นไหมจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเองครับเห็นไหมถ้าไปแทรกแซงเมื่อไห่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะมีความอยากขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น ให้ผมกลับไปดูตัวอะไรต่ออะไรนะให้ผมกลับไปดูตัวอะไรต่อครับอะไรโผล่ขึ้นมาให้ดูดูตัวนั้นแหละพอสติเรามีแล้วนะมันจะรู้เองแล้วว่าจะมีอะไรให้ดูครับดูตัวที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในปัจจุบันครับนะรบขอบพคุณครับยังในหลวงท่านเคยถามหลวงปู่ ด, ดูลนะว่ากิเลสนนะ่าจะดูตัวไหนก่อนหลวงปู่ ด, ดูลบอกตัวไหนกําลังปรากฏอยู่ก็ดูตัวนั้นแหละสามสิบเก้าอยู่ข้างหน้าข้างหน้า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 คุณพออีกทีนึงค่ะเออมีบางทีที่หนูรู้สึกตัวขึ้นมาว่าหนูหลงไปคิดนะคะ ร, รู้สึกมันมีความสุขขนาดยิ้มออกมาเลยค่ะได้แหละแต่บางทีก็เฉยเฉยอะค่ะเออนะมันมีสองงานไงจิตที่เป็นกุศลนะเนม่เช้าบอกแล้วมีโสมนัสมีความสุขก็มีอุเบกขาแต่อย่าให้แข็งนะถ้าพอรู้สึกแล้วแข็งแข็งแน่นๆเร่องนี้ยแสดงว่าเพ่งไว้ละไป บ, บังคับอันนี้เรียกว่าสติเกิดแล้วใช่ไหมสติเกิดแล้วกลับมาทคุณค่ะเบอร์ห้าสิบองคุณเปลี่ยนไปเยอะนะของคุณ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 รู้สึกสบายขึ้นเจ้าค่ะเนื้อมันหลงหลงไปเรื่อยนะคอยรู้สึกยังต้องทําอีกทําไปเรื่อยเจ้าค่ะทําต่อไปอีกเจ้าค่ะคือจะมีปัญหาเวลาอยู่ในที่กว้างๆเจ้าค่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําให้กายเราเบาแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปเพ่งบรรยากาศหรือเปล่าเจ้าค่ะใช่เราไปเพ่งกายก็เบาใจก็เบาเป็นสมถะเพราะฉะนั้นมันเบารู้ว่าเบามันหนักรู้ว่าหนักเจ้าค่ะเราก็คือต้องพยายามรู้สึกเข้ามาที่กายเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ใช่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 ดังน้ น, นพอนาเป็นไมันก็เห็นเป็นคนละดวงเจ้าค่ะแล้วของหนูต้องเพิ่มเติมตรง ไ, ไหนไม่ไม่ไม่ไมทำไปอย่างที่บอกให้ทําเำคอยรู้สึกกายเลยเนี่ยเจ้าค่ ะ, <น>ะแต่เป็นเจ้าค่ะเอาต่อไปเบอร์อะไรสิบสี่หยุกหน้าข้างหน้านนกล่าวนมำสการ์หลวงพ่อครับ เ, เมื่อช่วงสงการผมได้มีโอกาสไปอยู่ในวัดป่านะฮะอตอนตอนที่ปฏิบัติเดินชมคมอยู่มันเห็นจิตดับ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 มันมีตัวรู้ความสภาพความดับนั้นเออเพอมันดับเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งตาผมตอนนั้นมันก็หลับไป uh. แล้วมันก็มีแสงวิ่งเข้ามาที่ตา uh. สว่างมากจนแม้กระทั่งตาที่หลับอยู่ยังเกิดอาการสัน่นอืพอมันจากนั้นได้แป๊บเดียวจิตมันก็เหมือนพุ่งแล้วมันก็เปิดออกปั๊บ uh. แล้วมันก็เกิดอาการเรียบสนิท uh. อาการเรียบสนิทมันจะเป็นลักษณะที่ว่ากายและใจนี้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทั้งหมดมไม่มีความแตกต่าง ม, มันอยู่เรียบสนิทอย่างนั้นอยู่อีกแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นมันก็เกิดปิติขึ้นอสองครั้งอเกิดสองครั้งแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเป็นปกติของมันมผมก็นั่งเดินเจริญสติไปเรื่อยๆนะฮะแต่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่นิดเดียวก็คือมันเห็นอาการจงใจชัดเจนแล้วมันไม่เอาอาการจงใจ ม, มันก็จงมันก็กลายเป็นว่าผมปฏิบัติ เหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็รู้มาว่าที่ผ่านมาจงใจร้อยเปอร์เซ็นตเพงแต่จงใจมากจงใจน้อยจงใจมากจงใจน้อยแล้วมันก็เห็นอาการความร้อนของไอ้ตันหาที่มันลงไปจงใจเนี่ยมันเกิดความไม่เอา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 มันจะเหมือนกับว่าเวลาเดินเดินเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเดินข้ามสะพานแต่สะพานข้างหลังเนี่ยมันพังตลอดเวลาอแล้วข้างหน้าไม่มีทุกครั้งที่มีมันจะมีแค่สะพานะมารองรับนขณะนั้นนขณะนั้นนขณะนั้นตลอดเวลาแล้ววันนี้จิตมันก็ละเอียดขึ้นอย่างบางทีผมอย่างเมื่อกี้ผมมองหน้าแฟนผมเนี่ยครั้งแรกผมจําหน้าไม่ได้อืมแต่จังหวะที่จําหน้าไม่ได้ผมก็เห็นสัญ ญ, ญามันทางานขึ้นมาปุ๊บอือนั่นแหละตอนที่ตาเห็นรูปมันยังไม่มีสัญญาครับใช่ไหม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 ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันตัวระดับปุ๊บ<ช>ภายในระยะเวลาที่มองไม่เห็นเลยว่ามีตัวเราเกิดเออแต่บางทีตัวเราจะเกิดค้างยาวไม่แน่ไม่นอนเออดีดีที่เห็นนะไปภาณนาอีกวันนี้ภาวนาเก่งๆ เ, เยอะเลยสงสัยตัวกันบ้านได้ไม่หมดเรอที่เรียกไปที่ยังไม่ได้เรียกก็อีกเยอะเลยของคุณต้องไม่ประคองไว้นะมีการประครับประคองไวนะ้แล้วไปดูตัวมานะอัตตานะมันจะพุดได้ชัดแนละ้ทีเนี้ย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 ที่ภาวนานก็ดีเนี่ยสบายขึ้นดังเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่นะแต่ว่าใจเราพอใจเราสบายแล้วใจเราไปเคล้าเคลียในความสุขความสบายเราไปพอใจให้รู้ทันว่าพอใจถ้าไม่รู้เราก็จะติดอยู่ในความสุขนะระวังน้ําในติดความสุขจค่ะข่าพระคุณจังค่ะห้าสิบสองการนมัสการค่ะลุงพ่อคันไม่ได้ส่งกันบ้านมาแล้วห้าเดือนนะนะคะทั้งที่แล้วหลุงพ่อบอกว่าให้ทําในรูปแบบเพิ่มขึ้น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 มันเลยแห้งแรงไปหน่อยอพอแห้งแรงแล้ ว, ล ว, ลวรเราเผชิญกิลเลสเผชิญอะไรมันก็สู้แบบแห้งๆแตนนะหนูจะแบบจิตคึกคักเวลาจะมาวัดอ่ะค่ะเอะออาเบอร์เจ็ดสิขอบพระคุณค่ะอยู่ข้างหลังนงมัสการค่ะเอ่อจะถามหลวงพ่อว่า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 อ๋อให้ทิ้งตัวที่สร้างเลยเราไปดูเลยไม่ต้องไปสร้างรู้เลยตัวไหนเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก็รู้ตัวนั้นไปนะไม่ต้องไปทําตัวหนึ่งนิ่งๆขึ้นมาอ๋อตัวอ๋ตัวนิ่งๆนั่นไม่ต้องไปทําขึ้นมาก็ไม่ต้องทํามานะมันนิ่งของมันเองถ้าเหมือนทําแล้วตัวอื่นๆมันจะชัดขึ้นใช่มันจะชัดแต่มันผิดธรรมชาติออนะมันจะเห็นว่าตัวอื่นเนี้ยไม่เที่ยงแต่ตัวเนี้ยเที่ยงมันจะเหลือตัวหนึ่งคงที่อยู่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 เบอร์8อยู่ไหนครั บ, ร บ, รบ เ, เป็นคนใหม่นะครับอาจารย์ก็ผ่เดินได้เมตตาจากคุณพี่ยังค้างให้มีโอกาสได้ถาม<ฮ>ก็ปฏิบัติมาได้ประมาณหกเดือนนะครับฟังเสียงพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับธรรมดานะใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นก็รบกวนอยากาให้พระอาจารย์ มัุ่ญแจในการปฏิบัติประจำวันคุญแจนะ่ารู้ทันใจเราลงปัจจุบันไปได้อย่าไปบังคับมันตอนเนี้ยกดอยู่รู้สึกไหมรับนะรู้ลงปัจจุบันไปได้คุญแจของเราคือมีสติรู้ความรู้สึกในปัจจุบันนี้แหละครับนะรู้ไปบ่อยๆอย่างตอนเนี้ยจิตหนีไปคิดแล้วทรารบไหมกดให้นิ่งแล้วทรารบไหมต้องไม่กดเลยนะกดแล้วไม่ดีอยา ก, กดไว้เอาเบอร์สามหนึ่งข้างหลัง กับนมรส ก, การหลวงพ่อครับเส่งการบ้านจากคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองจิตไม่มีแรงแล้วก็หลายๆอย่างนี่ไม่ที่ไม่ค่อยดียครับแล้วก็ไปปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นนะครับอืมแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นครับเนี่ยเราทํานะทําในรูปแบบทําไปเรื่อยเรืยแล้วสติมันเกิดไวขึ้นไวขึ้นไม่ไม่ได้ทํามากมากเกินไปหรือไม่เพ่งอะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เพ่งมีตอนเนี้เพ่งนิดนึง กนดไปนิดหนึ่งนะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้นะครับตอนตอนตอนที่ว่าเดินจงกรมบางทีก็รู้สึกมันมันนิ่งเกินโอ้ยเกินไปนิดเดินเพ่งไปเดินจงกรมอย่าไปคิดมากว่าเราจะปฏิบัติทำคิดว่าเราจะเดินเล่นเดินเล่นเล่ น, เ, ลนเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตมันเคลื่อนไหวนะคร้อยยี่สิบอยู่ที่ไหนออนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าไปอย่างย่งตอนที่ว่าเดินจงกรมแหะครับพอดีว่าถ้าเผื่อว่าได้ยินเสียงอะไรมาเข้ามาในหูสักอย่างนึ่งปั๊บเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมันเกิด เป็นเป็นมโนภาพขึ้นมา อ, อันนี้คือมันมั น, ม น, เ, ปนเป็นสัญญ า, ญญาเป็นสัญญาปกติไม่เป็นความคิดอะไรใช่ไหมใช่เป็นสัญญาขิดขึ้นมาโอครับนะครับร้120อยี่สิบอยู่ข้างหลังลนามสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือลูกก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเพิ่งเคยส่งครั้งแรกคะ่ะคื อ, อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะลูกก็ ก็เด <g år d> ินจงโกงมาค่ะก็เ <g år d> ดินตั้งแต่ตอนบ่ายอะค่ะก็เ <g år d> ดินเดินไปก็เห็นโมหะเต็ไมไปหมดสเสร็จแล้วก็เดิน <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆค่ะพอดีก็ไม่ได้ทันเขาเย็เนก็ <g år d> เลยเดินไปเรื่อยๆพอสักสองทุ่มาค่ะอยู่จิตมันก็โล่งแบบไม่รู้คือโมหะอยู่ๆมันก็พิดหายหายแบบไปเ <ๆ S 2> ลย <ๆ S 2> ลูกก็รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกก็เดินเดินต่อไปมันก็กลับมาค่ะทีนี้เราไม่ได้ฝึกไล่มันนะค่ะมันจะมามันจะไปเรื่องของมันค่ะหนูก็เลยก็เลย พูดโทพูดโทรไปพอดูอีกทีมันก็หายแวบไปอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งคืนลูกก็ก็กเราดูไปนะถึงโมหายไม่มาตัว<ะ>อื่นเขามาอีก<ะ>เดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวกิเลสโน้ น, นเดี๋ยวกิเลส น, นี้เดี๋ยวกูสนอย่างนั้นเดี๋ยวกูสนอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเองค่ะทีนี้ทีนี้คือพอวันต่อมาลูกก็ไม่แน่ใจเอ้มันเป็นอาการของสมหธิหรือเปล่าเพราะว่าหัวลูกไม่เคยโล่งแบบนี้มาก่อนในชีวิตไม่เป็นไรเลยเราใจเราตื่นให้มันก็โล่งค่ะ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 ก็เกิดเกิดเกิดเกิดความอยากขึ้นมาเออก็อยากหวากอยากรู้ว่าความหมายที่หลวงพ่อให้มาเนี่ย mm. มันสง่งผลยังไงบ้าง mm. แล้วก็เลยไปกวานฟังตามซีดีก็เป็นปิติจีิงว่าเวลาผมฟังซีดีทีไรแล้วมันจะเจอทุกที mm. ความหมายของหลวงพ่อที่หมายถึงว่าเวลาฟังทีดีแล้วจะเจอคําตอบทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราเรามาฟังแล้วก็จะ mm. จะเหมือนแบบปิติขึ้นมาว่าเออได้เจอพอดีเลยคําตอบที่ที่ที่อยู่ในซีดีฮะ แล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อพบอกว่ากดอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้กดอยู่หรือเปล่านะคนน้อยลงแล้วนะโล่งขึ้นรู้สึกไหมครับใจโปร่งนะเราปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันเลยครับถ้าเรากดอยู่มันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูครับนะดีละร้อยแปดอยู่ข้างหลังร้อยแปดกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งการบ้านนะค่ะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็มีโมหะค่ะอ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 ขนาดนี้กดแรงไปรู้สึกไหมขนาดนี้มัวนิดหนึ่งดูออกไหมมันมีโมหะแทรกอยู่ทำใจสบายๆแล้วก็รู้เล่นๆเห็นไหมมาเรียนกับหลวงพ่อมีแต่คำว่าสบายคำว่าเล่นๆเห็นไหมเพราะเราสุขขาปฏิปทาอ้าวเชิญกลับบ้านโยมที่เหลือนะคนไหนมีคำถามนะไปถามแม่ชีถามครูบาถามด็อกเตอรหนุ่ยแต่อย่าไปถามเขานะว่า ขณดนี้จิตหนูเป็นยังไงนะถ้าจะไม่ได้ดุยะหรอกแต่ว่ามีปัญหาอะไรไปคุยนะธรรมะมันจะถ่ายทอดออกมาเอง